นั่งลงบางหนังสือทำวัดไว้ดันใจหรือดานขวาก็ได้นัะปิดเอาไว้เราก็ทำวัดเช้ากันจบวันนี้กดกรนหนาตานิดนึงเพราะว่าเรามารวมกันมีแพทย์มีทันตแพทย์มีเภสัช จากสกสจอของจังหวัดกัราฮดแล้วก็ของจังหวัดชัยภูมิประมาณ200ชีวิตตอนนี้เราก็จะฟังเทศฟังธรรมกันต่อเป็นอย่างเงี้ยทุกครั้งเลยหลังจากธรรมชาติธรรมจินจบการฟังเทศฟังธรรมนี่ก็ดี เราจะได้ยินในสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนสำหรับบางคนบางท่า น, นบางทีเราเคยได้ยินมาบ้างแล้วล้วก็ได้ยินซ้ำๆอีกนจนมันแจงประจักษ์ขึ้นมาได้ยินซ้ำๆสมัยวิการนี่มีการพูดธธรระแสดงธรรมะเทศนธรรมนจนมีการมารู้ธรรมอะไเหมือนกัน แต่ว่าวันนี้นะเจะกาพอาัตนานิมนต์ประเดชพักลุงพ่อํนะำเขียนสุวรรณโนท่านเป็นประธานสงฆ์อยู่ที่วัดนี้แหละนะได้แสดงธรรมให้พวกเราได้ยินได้ฟังกันนะเพราะเรื่องการเจริญสตนะิเป็นเครื่องมือทำหมจิตใจของเรานี่มันนะมีที่พึ่ง มีหลักใจสามารถที่จะพาชีวิตของเราเดำเนินไปแต่ละกณะนะแต่ละกณ ะ, ะอย่างไม่ผิดพลาดมีความถูกต้องจะใจกายใจวาจาใจจิตใจต่างๆมีสติกำกับเอาไว้ก่อนเพราะนั้นเจ้านี้เราก็ตั้งใจฟังทำจิตใจให้มันสว่างสวยกว้างขวาง ดุจภาชนะทองรองรับรถของพระธรรมต่อไปขอากราบอาราธนานิมนต์ประเดศพระคุณหลวงพอง่อเกษมสวุวรรณโนครับผม <c oughs> ไม่ได้ยินอาจารย์ทรงชิลพูดเลย <c oughs> อ้า ใช่พ่อดาแล้วมีเสียงหรือเปล่าวันนี้ <c oughs> มีเสียงนะ <c oughs> โอ้วันนี้เนาะเป็นขั้งหนึ่งในวัดป่าสุโตทูที่มีผู้คนมาจานวนมากเอ็มชลาหัวใจสอดี แล้วก็ผูกใจว่าถ้ามาที่นี่ก็มาทำความดีมาละความชั่วก็มีความหมายอย่างนี้ปฏิบัติตามธรรมปฏิบัติตามวินัยคนจะมาปฏิบัติตามธรรมแล้วคนไทยเ <c> ห <oughs> <c oughs> มือนก็จะมีที่พึ่งเกิดขึ้นกับประเทศชาติแล้วเพราะคนจะเป็นคนดี แต่ละความชั่วทำความดีต้องเห็นแน่นอนเพื่อผิดความถูกเมื่อเราศึกษาวิชากรรมฐานแล้วหลักสูตรนี้ทำให้พู้โดยชนเป็นพระยะบุคคลชั้นใดชั้นหนึ่งขึ้นมาได้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 อะไรที่มันเกิดกับกากับใจเอามาเป็นหลักสูตรทั้งหมดหนึ่งละเราอยู่กันจานวนมากอาจจะไม่สะดวกควางไม่สะดวกก็เป็นหลักสูตรที่จะไม่เกิดสติรู้สึกได้ไม่เอาความไม่สะดวกมาเป็นความยากลาบากเอาความไม่สะดวกมาเป็นหลักสูตรเพื่อให้เกิดความรู้ขึ้นมา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 เข้าคิวเข้าห้องน้ำมองช่วมก็มีเหมือนกันนั่นแหละเป็นหลักสูตรที่เราจะต้องปฏิบัติตามธรรมตามเรื่อไหนเมื่อเกิดอะไรขึ้นกับกายกับใจเรามาเอามาเป็นความรู้สึกตัวทั้งหมดเวลียนร้อยเป็นดีทั้งหมดเลยสักเก็ดวันลองดูจะเห็นอันที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจที่มันเคยผิดจะมาเป็นเรื่องถูกต้องเรียกว่า ลงในความรู้สึกตัวซะความหลงก็มาหลงที่ความรู้สึกตัวซะความทุกข์ก็มาหลงที่ความรู้สึกตัวซะความโกรธความร้อนความเหนีวความหนาวความผิดความถูกมาหลงที่ความรู้สึกตัวซะมันจะไปได้ยังไงมาเนี่ยไปถึงไหนมันจะไม่มีความรู้สึกตัวเป็นไปไม่ได้ เอาความรู้จึกตัวเป็นเคยพูดอยู่เสมอว่าเหมือนลอยเท่าของช้างรอยเท่าสัตว์อื่นมันเล็กกว่ารอยเท่าของช้างจัดทั้งหลายทั้งหลายในโลกนี้เอาลอยมามาลงที่ลอยเท่าของช้างก็ย่อมกลายเป็นลอยเท่าช้างได้ทำทั้งหลายที่เกิดกับอาการกับกายกับใจของเราเนี่ย เสมือนลอยเท่าของสัตว์ต่างๆลอยวัวก็เป็นลอยวัวลอยควายก็เป็นลอยควายลอยหมูลอยหมาก็เป็นลอยหมูลอยหมาเมื่อมารวมน้องที่ลอยเท่าของช่างแล้วก็กลายเป็นลอยช้าด้วยไปฟังได้ไหมเนี่ยเสียงแบบนี้ดันเต็มที่นะเสียงมันก็ดีด้ว เป็นอย่างนี้นะเรียกว่าทำลงตัวได้ปฏิบัติได้รวมหล ง, งมาเป็นความรู้ได้รวมทุกข์ก็มาเป็นความรู้สึกตัวได้ว่าเรามีสติเป็นเจ้าบ้านเจ้าเดือนเป็นลอยเท่าช้างเอาไว้เหนกายตามวิชากรรมฐานรู้เฉาเข้ารู้สึกเหยื่อเฉาดอกรู้สึกอะไรที่มันเกิดขึ้นมาที่ไม่เคยความรู้สึก เราก็รู้สึกทันทีกลับมาที่นี่ทันทีเนี่ปฏิบัติตามธรรมความวหลงไม่เป็นธรรมความวรู้สึกตัวเป็นธรรมความวทุกข์เกิดขึ้นมาในข่าวที่เราปฏิบัติเปลี่ยนมาเป็นความรู้สึกตัวสะเปลี่ยนมาเป็นความรู้สึกตัวสะเอาเป็นหลักสูตรทั้งหมดให้ขยันเท่านี้อย่าปล่อยทิ้งจะให้เกิดกระจายไปเป็นอื่นได้ความหลงเป็นหลง มันไม่ปฏิบัติตามทำไม่ไหนลาความหลงเป็นรูศึกตัวคือว่าปฏิบัติตามทำไม่ไหนถือว่าละควมชั่วถือว่าทำความดีแล้วรักษาศีลแล้วศ้นคือต้องรักษาแบบดีศีลจิขาศีลที่จะหลงกิเลสถ้าไม่คนเป็นคนดีก็ต้องรักษาแบบนี้เอียนร้อยไปดีอย่างนี้ ไม่ใช่เป็นรูปแบบเฉยๆเป็นภาคปฏิบัติลงไปจริงๆเคยทุกข์เป็นทุกข์เคยหลงเป็นหลงเคยโกรธเป็นโกรธเคยดีใจเสียใจจะพาเป็นความรู้ทั้งหมดนี่คือรักษาศีลปฏิบัติตามศินปฏิบัติตามธรรมความหลงไม่เป็นธรรมความรู้สึกตัวเป็นธรรมแม้แต่ความผิด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 ยกมือขึ้นรู้สึกตัวทำได้โดยเฉพาะกรรมฐานนี้ที่พอเพียงเพียงพอที่จะเกิดขึ้นมามากได้วิทีละรู้วิทีละรู้วินาทีหนึ่งรู้ทีหนึ่งนะโดยตามวิชากรรมฐานกู้ฉันเข้าเหยืย่อฉันดอกการเคลื่อนไหวของกายมาเป็ดสู่ตัวหนึ่งเพื่อตั้งไว หัดสอนตัวเองให้กลับมาที่ตั้งให้เป็นระเบียบนาทีนี้ให้เป็นระเบียบทีน่นี่สองนาทีรูทีน่นี้สามนาทีรูที่นี่รูทุกหนาทีททกรรมานในเพียงพอในการที่จะปฏิบัติในการที่จะศึกษาตามทรรมเในัยใส่ใจสักหน่อยให้มีโอกาสหาโอกาส โดยโอกาสปฏิบัติาตามทำให้ทุกโอกาสไม่ใช่อยู่ในรูปแบบอย่างเดียวสิ่งที่เกิดขึ้นที่ไม่ใช่สติเกิดขึ้นได้หลายอย่างทางตาทางหูกระโบกดิ้นกายใจบางทีมันก็คิดโดยเพราะชีวิตของเรานี้มันเคยหัดจิตเวลามันคิดก็ปล่อยให้มันคิดไป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 มันจะได้สอนจิตที่มันคิดทวารของจิตคือมันคิดทวารของกายคือมันเคลื่อนไหวงั้นไม่ใหญ่ใหญ่สองวาร น, นี้คือกายกับใจเรื่องของกายก็มีมากเกิดขึ้นไปก็มีมากเกิดขึ้นกับจิตใจก็มีมาก สิ่งที่มันมากๆก็เป็นอันหนึ่งสะมารวมลงที่ความรู้สึกตัวซะก็จะได้คินได้ชำนาญหัดใหม่ๆก็ง่ายที่จะหลงหัดไปหัดมาก็ง่ายที่จะลูกอย่างให้ใจต้องถึงตู้ต่อเท่านั้น เอดไม่ก็อดดันไม่เหมือนจะติ่นไงพอ่านเสียงหมดความรู้จุดตัวมันมีทั้งในรูปแบบแล้วก็นอกรูปแบบ ในรูปแบบก็นี่แหละที่ยกมือเคลื่อนไหวกันสิบสี่จังหวะแล้วก็ยังมีการเดินจงกลมนอกรูปแบบหมายถึงว่าการกระพริบตาหายใจอะไรมันเคลื่อนมันไหวก็รู้สึกตัวในสถานที่ตรงนี้เรานั่งอยู่ตรงนี้เรานั่งเคลื่อนมือนั่งดูลมหายใจเคลื่อนไหว อ, อยู่ สิบสี่จังว่าพอเรเดินไปห้องน้ําเรารู้สึกตัวเดินไปตามกุฏิที่พักเราก็รู้สึกตัวจะ อ, อยู่ที่วัดจะอยู่ที่โรงพยาบาลจะอยู่ที่บ้านเราก็รู้ตัวของเราอยู่รู้กายรู้ใจภาษาธรรมะก็บอกรู้รูปรู้รนามมันมีรูปตามมีนมามธรรมหลงกายเรามันก็ มีธรรมชาติของมันนั่งก็เมื่อยเดี๋ยวก็หิวเดี๋ยวว่าเข้าเดี๋ยวว่ออกต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายภปเรืงของจิตของใจก็มากเหลือเกินคิดมากปรุงแต่งเดี๋ยวรักเดี๋ยวจังเดี๋ยวกลุ่มเดี๋ยวกังวลเกิเกิ น, ก, นกลัวสารพัด ภาษาธรรมะเรียกว่กิเลสเอีกิเลสมันมีอาการชอบเผลอหลงไปเอาความคิดนะ่ยยึดว่าเป็นเราเฉบาตัวเราเองเนะี่ยเป็นศูนย์กลางแล้วก็วัดกนนั้นกนนี้กนน้นวัดดีว่าไม่ดีชอบไม่ชอบพอใจไม่พอใจอย่างเงี้ยพอเรามาฝิกความรู้สึกที่ฐานกายกอนที่ตัวกัน ฝึกไปฝึกไปมันก็จะเห็นจิตเห็นใจของเรามันชอบแวบแวบแวบวาไหววาบถ้ารู้ไม่ทันมันก็เสร็จอยู่ภายใต้อำนาจภายใต้อิทธิพลก็ครอบงำเราไม่ได้ตั้งใจคิดเงี้ยมันก็คิดทั้งวันบางทีก็หาเรื่องเก่าๆมาคิด เป็นสุขเป็นทุกข์ลวงเอาซาาความสุขมันก็ตายไปทั้งนานอะไรเงี้ยเอามาคิดบางทีก็กังวลเนีนาก็สุขก่อนทุกข์ก่อนทุกข์กข่อนทุ ก, ท ก, ทกสุขก่อนสุขเนี้ยจนไม่อยู่ในโลกความเป็นจริงที่ปฏิวัติกันนะ นั่งอยู่แค่รู้ว่านั่งอยู่ใจมันลอยแวบกลับบ้านก็มีอะไรเงี้ยให้สังเกตดูพอเราฝึกรู้สึกตัวตอกยำ้ำซ้ำจะมันเกิดนิสัยขึ้นไหมก็คือรู้อยู่เป็นปัจจุบันรู้ปล่อยรู้วางจะเกิดขึ้นมาเลยตรงกลางที่มันรู้ถูกแต่ว่าก่อนที่จะรู้ถูกก็รู้ไม่ถูกก็ไม่แปลกเพิ่มขึ้นกประสบการณ์ที่เราจะต้องมารับรู้เรียนรู้ฝึกหัดกันจนเลือกเป็น อันนี้แหลนะน่ะมัดป่าสุขโตสถาบันสติปัฏฐานเราก็พัฒนาจิตใจกันพัฒนาชีวิตกันโดยการกระทำปฏิบัติการลงไปเรื่อง ก, กรรมฐานในใหม่ก็อาจจะเจตนาใส่ใจลงไปสักนิดหนึ่งกับการเคลื่อนการไหวนามย่อกับ้นามบ่งกันเคยเจตนาคิดดีพูดดีทำดีเจตนาคิดไม่ดีพูดไม่ดีทาไม่ดี ตอนนี้เจตนาทำกรรมฐ า, านมันก็จะเกิดธรรมชาติขึ้นมาความเป็นธรรมดาธรรมดากฎของธรรมชาติก็จะแสดงให้เราอะไรเป็นสติอะไรเป็นศีลอะไรเป็นสมาธิอะไรเป็นปัญญามันมีอยู่ในชีวิตของเรานี่แหละจะเกิดการจัดระเบียบกายระเบียบใจขึ้นไหมระเบียบวาจาขึ้นไหมเรียกว่าวินัย ใจของเราก็ถูกจัดระเบียบมันไม่เคยทนมันก็ทนนะใจของเรามกันเคยชอบคิดสเปสะย์สป่าไปอย่างเงี้ยไรระเบียบมันก็ถูกหยิบมาใช้นีถ้าจะคิดก็เจตนาคิดลงไปมีสติกับการคิดลงไปจะพูดก็เหมือนกันกเจตนาหยิบเอาเ ค, ความคิดมาใช้แล้วก็พูดลงไปทําลงไป ก็เกิดประโยชน์ตนประโยชน์ท่านตรงนั้นละ <S <S เป็นการละชั่วเป็นการทำดีเป็นการชาระจิตเราก็มาอยู่กันมาก <S <S เป็นบรรยากาศของกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมไม่พาไปทางที่เสื่อมมีความน่ารักน่าเคารพน่า ย, ยกย่องกันไม่มองกันในแง่ร้ายแล้วก็ปฏิบัติธรรมต่างคนต่างทํากันลงไปเป็นสิ่งแวดนล้อมซึ่งกันและกัน ไม่พาไปทางที่เสื่อมสติปัฏฐานก็เป็นอย่างนี้นะส่วนสติสัญชาตายานก็จะออกไปตาก็จะหาดูหูก็จะไปหาฟังอย่างนี้สมองก็จะคิดไปตอนนี้เรามาฝึกมันให้มารู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวที่ฐานกายอย่างเดียนะดูที่สักห้าวั น, นมันจะเกิดอะไรขึ้นไหม หลายคนเคยมีความสำเร็จนะกับการศึกษาเราเรียนเป็นแพทย์เป็นธรรันดแพทย์เป็นเภสัชหรือว่าอื่นๆก็ใช้ความสำเร็จนะี้ลองมาศึกษาวิชาศาสนาที่เราเชื่อว่าองค์สมเด็จสัมมาสมมุตเจ้าได้นค้นพบเอาไว้ตั้งแต่สมัยโบรารบรรเป็นเดือนหก าคุณศิาามยามสามปีลากาเป็นวันพุธมาถึงวันนี้แล้วก็ 2,600 ปีมันยังมีอยู่การเจริญสติการเจริญสมาธิการเจริญปัญญามันมีอยู่แต่ว่าต้องลงมือทาลงไปเท่านั้นเองต่างคนต่างทมนะตุมเหกิจั ง, อ, งอาตบปางอาขาตาโลตะาาตากตาปฏิปันนาพโมคขันติใจโนมาละพันธนา ท่านทั้งหลายก็ต้องทำเอาเองทศฐานก็เป็นแค่เพียงผู้บอกผู้มีปกติเพียงพินิจก็จะพ้นจากบ่วงแห่งมารมารหมายถึงอะไรหมายถึงว่าสิ่งที่มันชอบกัดขวางนะทําให้เราไม่เกิดความสําเร็จไม่ประสบความสําเร็จโนะบราณท่านว่ามารไม่มีบารมีไม่เกิดอย่างนี้พ น, ะ น, นันเวลาเราปฏิบททัติธรรมจะมีความงหงาหงานอน เกิดขึ้นมาให้เราได้เรียนรู้จริงๆก็ไม่ได้มากัดขวางอะไรหรอกความเจ็บความปวดความเมื่ อ, อยมันก็จะเกิดขึ้นมาให้เราได้เรียนรู้เหมือนตอนตอน้ตนหลวงพ่อทันวา่าความลําบากต้องรอคิวเป็นข้าวของน้ำอย่างนี้อันนี้แหละมันเป็นสูตรของความสําเร็จเป็นสูตรของการปฏิวัติธรรมเป็นสูตรของการใช้ชีวิต ทำให้เราเลือกเป็นต่อไปในพราะเลือกที่จะไม่ทุกข์นอนจะต้องกลางมุ้งกันงไม่เคยกลางมุ้งเห็นนะต้องมานอนกลางมุ้งกันนะรู้ว่าอื่นอื่นอีกมากมายนะที่เราจะต้องผ่านพุฒิสัตวน้ำมีสอนถึงเรื่องว่าการมมาสุขายกายโยคือได้ดังใจฮะการได้กินได้ดูได้ยินได้ฟังนะ สมใจเรียกว่าสุสมอยากเป็นการมาสุขาริการุโยกทางสุดต่งอีกงานก็คือทางตันก็คืออัตตาขริมฐานุโยกก็คือทําตัวเองให้ลําบากทําตัวเองให้ทุกข์ชอบหลงชอบเผลออย่างเงี้ยนะอันนี้เป็นลักษณะของอัตตาขริมฐานุโยกทางผ่านก็คือเนี่ยความรู้สึกตัวมัจจิมาปฏิปทา เป็นทางเดินหนทางเดินของชีวิตเราดำเนินไปสู่ความดีความงามแล้วเห็นความจริงของชีวิตเราชิมประกอบด้วยรูปนามกันห้าอย่างเงี้ยภาษาศาสนานะนีัยรูปนามแล้วก็คันห้าจริงจริงก็คือกายคือใจแล้วอาการที่มันเกิดขึ้นถ้าเราไม่รู้ทันมันไม่ดูมันไม่เห็นมันมันก็จะ มีอำนาจมีที่พ้นแต่ในเราเนี่ยตกไปสู่ภพภูมิต่างๆมากมายแล้วเกิดเป็นเปตเป็นสนนโรกเป็นอนาศุลกายเนี่ยายภูมิภูมิต่ำหรือบางทีก็เป็นเจวดาเป็นพรหมยินะ่งตดดีพูดดีทดําดีอายเชื่กลัวบาส ม, มีเมตตากรุณ า, มาเมตตาเบียขาเนี่ยเป็นภูมิที่สูงแต่คราวนี้ว่ามันมีอริยะภูมิอีกนะก็คือเห็นโลกตามความเป็นจริงและเกี่ยวข้องถูกต้องซะ หายตัวตรงนี้มีการปล่อยการวางนะแล้วก็มาฝึกกันอย่างนี้เคลื่อนมือเคลื่อนไม้เดินจมกลมเห็นกายวางกา ย, ยาเวลาจิตมันคิดมันฟุง้งมันปรุงมันแต่งขึ้นมาเห็นมันแล้วภาว่าผู้โดนมีก็ปล่อยวางจริงๆเหมือนกันผ่านจริงๆมันเป็นอย่างนี้เราก็จึงมาศึกษากันไม่ให้เสียเวลาพื้นที่วัดป่าสุขโตห้าร้อยวัดไรเสร็จ ก็มีไว้เพื่อการนี้โดยเฉพาะนะวัดป่าสกุโตสถาบันสติปฐานนี่ไงเราก็มาฝึกกรรมฐ า, านกันแนวเคลื่อนไว้ต่อไปนะอ่ะเห็นว่าสมควรกันเวลาสำหรับเช้านี้นะเราก็ฟังเทศฟังทมกันพอหอมป่าหอมคอแค่นี้ก่อนนะต่อไปเรากราบพระพร้อมกัน